ปาจิตติสะหธรรมมิกวัชที่แปดสิกขาบทที่หนึ่งว่าภิกษุใดอันภิกษุทั้งหลายว่ากล่าวอยู่โดยชอบธรรมกล่าวอย่างนี้ว่าแน่เธอฉันจักยังไม่ศึกษาในสิกขาบทนี้กว่าจะได้ถามภิกษุอื่นผู้ฉลาดผู้ทรงวินยัยเป็นปาจิตติอันภิกษุศึกษาอยู่ ควรรู้ถึงควรสอบถามควรตรีตรองนี้เป็นสามีจิกรรมคือการปฏิบัติที่เหมาะควรในเรื่องนั้นพระบัญญัตินี้แลผู้ว่ากล่าวเป็นอุปสัมบันญ์ประกอบกันเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีทำอันไม่ใช่พระบัญญัติก็ดีอนุปสัมบันญคือผู้ไม่ได้อุปสมบทก็ดี เป็นวัตถุแห่งทุกกฎปาจิตติสหธรรมมิกวัคสิกขาบทที่สองว่าอันหนึ่งภิกษุใดเมื่อมีใครสวดปฏิโมกข์อยู่กล่าวอย่างนี้ว่าประโยชน์อะไรด้วยสิกขาบทเล็กน้อยเหล่านี้ที่สวดขึ้นแล้วจังเป็นไปเพื่อความรำคาญเพื่อความลำบาก เพื่อความยุ่งยิ่งนี่กะไรเป็นปาจิตตีเพราะกลนคือติดเตียนสิกขาบทไม่ปรารถนาจะกลนพูดตามเหตุที่ปรารบถึงไม่เป็นอาบัติปาจิตตีสหธรรมิกวัก์สิกขาบทที่สามว่าอันหนึ่งภิกษุใด เมื่อปาติโมกสวดอยู่ทุกกึ่งเดือนกล่าวอย่างนี้ว่าฉันพึงรู้เดี๋ยวนี้เองว่าทำแม้นี้ก็มาแล้วในสูตรเนื่องแล้วในสูตรมาสู่อุเทศคือการสวดทุกกึ่งเดือนถ้าภิกษุทั้งหลายอื่นรู้จักภิกษุนั้นว่าภิกษุนี้เคยนั่งเมื่อปาติโมกกําลังสวดอยู่สองถึงสามคราวมาแล้วกล่าวอะไรอีกความพ้นด้วยอาการที่ไม่รู้หามีแก่ภิกษุนั้นไม่ พึงปรับเธอตามธรรมด้วยอาบัติที่ต้องในเรื่องนั้นและพึงยกความหลงขึ้นแก่เธอเพิ่มอีกว่าแน่เธอไม่ใช่ลาบของเธอเธอได้ไม่ดีแล้วด้วยเหตุว่าเมื่อทำปาติโมกกำลังสวดอยู่เธอหาทำในใจให้สำเร็จประโยชน์ดีไหมนี้เป็นปาจิตติในความเป็นผู้แสงทำหลงนั้น อธิบายความแห่งสิกขาบทนี้ว่าภิกษุใดเคยฟังปฏติโมกอันสวดอยู่ในวันอุโบสถทุกกลึงเดือนอย่างน้อยสองถึงสามคราวมาแล้วเมื่อสวดถึงสิกขาบทที่ตนล่วงปรารถนาจะแก้ตัวแกล่งไขสือว่าพึ่งได้ยินในบัรนี้เองว่าทำเช่นนั้นเช่นนั้นเป็นข้อห้ามาในปฏติโมกซึ่งเรียกว่าสูตรในที่นี้เพราะเป็นหลักสิกขาบทเธอคงต้องอาบัตตามวัตถุ ที่ทำส่วนหนึ่งแล้วไม่พ้นได้ด้วยอำนาจทำขายสื่อส่วนเพราะทำขายสื่อนั้นให้ภิกษุผู้รู้เท่าสวดประกาศความข้อนั้นยกโทษเธอเพิ่มขึ้นอีกตั้งแต่สวดประกาศแล้วไปยังขืนทำขายสื่ออยู่อย่างนั้นอีกต้องปาจิตติเพราะสิกขาบทนี้เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง พิริยาสวดที่ประกาศยกโทษว่าแซงทำหลงดังนี้เรียกโมหาโรปนกรรมยังไม่เคยฟังปาติโมกพิสดารเลยก็ดีหรือเคยฟังพิสดารแต่ไม่ถึงสองถึงสามคราวก็ดีหรือไม่ปรารถนาจะแซงทำหลงไม่ใช่ผู้ที่สงจะลงโมหาโรปนกรรม ตามอธิบายนี้เพิ่งรู้ว่าพวกภิกษุในครั้งนั้นฟังปาติโมกเข้าใจกันในทุกวันนี้จะถือเอาอย่างนั้นไม่ได้หมายเหตุผู้อ่านในที่นี้คือหมายถึงเมื่อครั้งบัญญัติพระวินัยข้อนี้นั้นภิกษุในสมัยนั้นท่านฟังพระปาติโมกและแปลออกเพราะเป็นภาษาของท่านแต่เมื่อสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน และโดยเฉพาะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ยังมีพระอีกมากที่ฟังพระปาติโมกและยังแปลไม่ออกหรือเข้าใจไม่ได้ทุกคำจึงเป็นไปได้ยากที่ฟังสวดพระปาติโมกสองถึงสามกล่าวแล้วจะเข้าใจในหลายแห่งก็อาจกลายเป็นสวดเป็นธรรมเนียมหรือเป็นพิธีกรรมไปเท่านั้นซึ่งความจริงถ้าสวดเป็นภาษาไทยก็น่าจะดีกว่ามากแต่เคยได้ฟังบางวัด ท่านสวดปลายก็จริงแต่สวดเร็วมากจนแทบจะจับใจความไม่ได้ปาจิตติสหธรรมิกวักสิกขาบทที่สี่ว่าอันหนึ่งภิกษุใดโกรธน้อยใจให้พระหานแก่ภิกษุเป็นปาจิตติ ปาจิตติสหธรรมิกวักสิกขาบทที่ห้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดโกรดน้อยใจเงื้อหอกคือฝ่ามือขึ้นแก่ภิกษุเป็นปาจิตติการให้ประหาร น, นั้นให้ด้วยกายด้วยของเนื่องด้วยกายหรือด้วยของที่โยนไปจัดว่าให้ประหารทั้งนั้นทำแก่ภิกษุต้องปาจิตติ เพราะสิกขาบทที่สี่ไม่ใช่แต่ให้ประหารเพียงเงื้อมือทำท่าดังจะให้ประหารเท่านั้นก็ต้องปาจิตตีเหมือนกันด้วยสิกขาบทที่ห้าในอัถกถากล่าวว่าปรารถนาจะทำให้เสียโฉมเชื่อตัดหูหรือจมูกแห่งอุปสัมบันต้องเพียงทุกกฎคำนี้ท่านกล่าวไว้โดยไม่ทันพิจารณาให้รอบคอบ เพ่งแต่เพียงว่าให้ประหารคือตีการทำให้เสียโมเช่นนั้นเพราะตัดหรือเชือดแต่อันที่จริงการตัดหรือเชือดนั้นหรือฟันก็ตามมือต้องจับสัตราจัดว่าให้ประหารด้วยของเนื่องด้วยกายและผลที่ผู้ต้องประหารได้รับนั้นก็กลับร้ายกว่าถูกตีเสอีกจะปรับโทษที่เบาวกว่าอย่างไรได้ อีกข้อหนึ่งภิกษุโกรธหมายเพียงจะทำท่าขู่พอให้ตกใจมิได้คิดจะประหารจริงรันเงื้อมือขึ้นแล้วพลังให้ประหารลงไปแก่ภิกษุแม้อวัยวะมีมือเป็นต้นแต่หักไปพระอัฏฐกถาจารกล่าวว่าเป็นทุกกฎอย่างเดียวเพราะไม่ปรารถนาจะประหารคำนี้ก็กล่าวไว้เพราะขาดวิจารณะเหมือนกัน เพราะมุ่งแต่เพียงว่าผิดเจตนาแต่เพียงเงื่ดเงื้อขึ้นเท่านั้นก็สมเจตนาแล้วปรับปาจิตตีได้ด้วยสิกขาบทที่ห้าเมื่อพิจารณาถึงอาการที่ทำเพียงโกรธและให้ประหารแก่อุปสัมบัญก็ปรับเป็นปาจิตตีด้วยสิกขาบทที่สีได้แล้วไม่น่าจะถามด้วยว่าควรจะปรับด้วยสิกขาบทไหน เราะอาการที่ทำถึงที่สุดนั้นเป็นประหารหมายเหตุคำว่าประหารนั้นแปลว่าการตีการถุบตีการฟันการล้างผลาญหรือฆ่าหรือทำลายคำว่าประหารในที่นี้เข้าใจว่าเป็นการทำร้ายกันแต่ไม่ถึงกับตายนะครับซึ่งจะต่างจากความหมายในปัจจุบันที่คนไทยมากเข้าใจว่า ประหารหมายถึงการฆ่ากันให้ตายอนุปสัมบันผู้ไม่ได้อุปสมบทคือสัมมนเนรสัมมนเนรีและขฤรืหัดเป็นวัตถุแห่งทุกกฎในอัตถกาถากล่าวว่าส่งเคราะห์สัตว์ดิรชานเข้าด้วยข้อนี้ใช้ได้เพราะแสดงความดุร้ายแก่สัตว์ดิรชานมีสุนัขและแมวเป็นต้น ย่อมเป็นการลาสังวรคือความสำรวมระวังปิดกั้นอกุศลอาบัตในสิกขาบทที่สน่าจะเห็นว่าเป็นสารนาติกะคือใช้ผู้อื่นให้ตีเขาก็ต้องอาบัตเหมือนกันในอัธกถาท่านเทียบด้วยปฐมป ร, ราชิกยังไรอยู่เธอรอยจะเพ่งว่าในสิกขาบทกล่าวเฉพาะทำเอง ส่วนในอาทินาทานสิกขาบทก็กล่าวเฉพาะทาเองเหมือนกันแต่เหตุฉะไหนจึงสําเร็จเป็นสานาติกะคืออาบัตที่ต้องเพราะสั่งให้ผู้อื่นทำเพราะสําเร็จเป็นโจรกรรมได้เท่ากันในาสิกขาบทนี้ใช้ผู้อื่นทำก็สําเร็จเป็นให้ประหารเหมือนกันจึงเห็นควรเทียบด้วยอาทินาทานสิกขาบทส่วนอาบัตในสิกขาบทที่ห้านั้น เพ่งกิริยาที่เป็นไปโดยปกติจะเป็นอนานาติกะคือต้องอาบัตเฉพาะทำเองได้อยู่อันผู้หนึ่งสั่งคนที่สองให้ไปทำท่าดังจะให้ประหารแก่คนที่สามแต่กําชับว่าอย่าทำลงไปจริงนะเป็นแต่จงทำท่าครูให้ตกใจหากจะมีได้บางคราวก็ยังจะต้องพิจารณาถึงความโกรธอีก คนกำลังโกรธอยู่จะมีความคิดสั่งได้เช่นนั้นหรืออันหนึ่งในอธถกะถาท่านกล่าวสมุดฐานแห่งสิกขาบทที่สเทียบด้วยปฐมประราชิกแปลว่าจัดอาบัติในสิกขาบทที่สเป็นสจิตกะคือต้องมีความจงใจจึงเป็นอาบัตแย่งกับนายวิพังเองที่แก่เป็นติกกะปาจิตตี คือต้องอาบัต ด, ด้วยอาการสามอย่างในศิขาบทที่สองไม่มีอะไรบ่งว่าเป็นสจิตตกะเลยในคำภีวิพังแกไว้ว่าถูกคนอื่นเข้ามาเบียดเบียนปรารถนาจะพ้นให้ประหารก็ดีเงื่อเงื้อมือก็ดีไม่เป็นอาบัตยิริยานี้เรียกในบัตดนี้ว่าต่อสู้เพื่อจะป้องกันตัว คำนี้กล่าวชอบถูกทางที่ควรจะเป็นถ้าจะอ้างหลักก็เพราะความโกรธและน้อยใจไม่ปรากฏในขณะนั้นไม่ต้องดูลักษณะให้ประหารในสิกขาบทการให้ประหารในสิกขาบทเพื่อให้สมแคนการให้ประหารที่กล่าวถึงนี้เพื่อจะป้องกันตัว ปาจิตติสหธรรมิกวัคศิกขาบทที่หกว่าอันหนึ่งภิกษุใดกาจัดคือโจดภิกษุด้วยอาบัตสังคาทิเศษหามูลไม่ได้เป็นปาจิตติการโจ์ด้วยอาบัตสังคาทิเศษไม่มีมูลนี้อนุโลมตามโจดอาบัตป ร, ราชิกน่าจะปรับด้วยอาบัตทุนละใจแต่เพราะมีศิขาบทนี้ จึงต้องปรับด้วยปาจิตตีในคำภีวิพังกล่าวว่าโจดอุปสัมบันด้วยเสียอาจาระอย่างอื่นไม่ถึงอาบัตสังคาทิเศษต้องทุกกฎไม่ทันพิจารณาก็น่าจะเห็นควรเป็นเช่นนั้นเพราะลดจากปาจิตติก็ต้องเป็นทุกกฎครั้นพิจารณาละเอียดลงไปการโจ์เช่นนี้ เป็นมุสาวาดอยู่ในตัวพูดมุสาเพล่อยไม่ได้ให้ร้ายแก่ผู้ใดผู้หนึ่งยังต้องปาจิตตีพูดมุสาใส่ความเขากลับต้องอาบัตเบาลงมากกว่าดูยังไรอยู่มติของข้าพเจ้าว่าเพราะมีสิกขาบทอื่นปรับโทษแรงกว่าอยู่แล้วแจกแบ่งโทษดังนั้นไม่ได้ต้องปรับด้วยปาจิตตี ในมุสาวาสิกาบทเช่นเดียวกับมีสิกาบทนี้อยู่แจกแบ่งโทษจากอาบัติสังคาทิเศษเพราะโจทย์ด้วยปาราชิกไม่มีมูลลงมาหาทุนละใจไม่ได้ฉะนั้นปาจิตติสหธรรมิกวักสิกาบทที่เจ็ดว่าอันหนึ่งภิกษุใด แกล้งก่อความรำคาญแก่ภิกษุด้วยหมายว่าด้วยเช่นนี้ความไม่พาสุขจะมีแก่เธอแม้ครู่หนึ่งทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัยอาจใช่อย่างอื่นไม่เป็นปาจิตติคำว่าแกล้งก่อความรำคาญนั้นในคำพีวิพังแก้ว่าปราโรคพระบัญญัติมีคนบางคนมีปกติ มักหนักอกหนักใจปรารบเรื่องราวอะไรต่างๆท่านสงเคราะห์เข้าไว้ในพวกวิตกจริตภิกษุที่เป็นคนเช่นนี้มีใครมาพูดปรารบเหตุการณ์อันขัดต่อพระบัญญัติและไม่สามารถจะรู้ได้เช่นกล่าวว่าในเวลาท่านอุปสมบทอย่างไรจะรู้ได้ว่ากรรมนั้นพร้อมด้วยสมบัติทุกประการถ้าบกพร่องไป มีเป็นอันไม่ได้อุปสมบทหรือเพียงเท่านี้จะถือเอามาเป็นเหตุหนักอกหนักใจและได้ความร้อนใจเพียงไรภิกษุผู้ไม่ตั้งอยู่ในสังวรมุ่งแต่ความสนุกไม่นึกถึงความทุกข์ของเพื่อนกันเก็บเอาข้อเช่นนั้นเข้าไปพูดให้ฟังท่านปรับด้วยอาบัติปาจิตตีในสิกขาบทนี้ ไม่เด็กแรงจะ ก, ก่อความรำคาญพูดแนะนำตามเหตุเช่นอุปสมบทเมื่ออายุพอวุฒิวิทย์แนะให้ทำเสียให้มั่นเป็นต้นไม่เป็นอาบัติปาจิตติสหธรรมิกวัก์สิกขาบทที่แดว่าอันหนึ่งภิกษุใด เมื่อภิกษุทั้งหลายเกิดหมางกันเกิดทะเลาะ ก, กันถึงการวิวาดกันยืนแอบฟังด้วยหมายว่าจะได้ฟังคำที่เธอพูดกันทำความหมายอย่างนี้เท่านั้นแลให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่เป็นปาจิตตีข้อว่าเมื่อภิกษุเกิดหมางกันเกิดทะเลาะ ก, กันวิวาทกันนั้นตนเกี่ยวข้องด้วยก็ตาม ไม่เกี่ยวข้องด้วยก็ตามห้าไม่ให้เข้าไปแอบเพื่อจะฟังความและเก็บเอามาเป็นเครื่องโต้เถียงหรือหาโทษใส่กันหรือเป็นเครื่องมือสำหรับจะได้ยุยงเพื่อเธอจะได้แตกกันตนจะได้เข้าสนิทสนมกิริยาที่แอบฟังความนี้โลกถือว่าเป็นการเลวสามที่สุดจนคนสอดแนมรับจ้างสืบความลับของคนทั้งหลาย ถึงยังต้องใช้อยู่เขาก็ไม่นิยมว่าเป็นคนดีไม่มีใครจะไว้ใจคนเช่นนั้นพระศาสดาทร ง, งเห็นเหตุนี้แล้วจึงได้ทรงบัญญัติสิกขาบทนี้เพื่อป้องกันไว้แม้ไม่ได้มุ่งจะแอบฟังเผอิญเดินผ่านไปโดยทางที่เขานั่งพูดอยู่แล้วรู้ว่าเป็นความงุบงิบเขาปิดตน ท่านสอนให้แสดงอาการเป็นต้นว่ากระแอมหรือไอเพื่อเขาจะได้รู้ว่าตนผ่านไปทางนั้นคำที่ว่าทำอย่างนั้นแหลให้เป็นปัจจัยหาใช่อย่างอื่นไม่นั้นให้สันนิษฐานว่าแอบฟังอันไม่มีโทษไม่ทรงห้ามตัวอย่างภิกษุสนทนากันด้วยธรรมวินัยหรือวินิจฉัยอธิกรณ ตนไม่ใช่ผู้จะเข้าชุมนุมในที่นั้นด้วยนั่งฟังอยู่ในเอกเทศหนึ่งเช่นนี้ไม่เป็นอาบัตมีธุระจะจับภิกษุประพฤติอัชาจาร์คือประพฤติชั่วละเมิดศีลล่วงมารยาทหรือละเมิดประเพณีแอบฟังเธอนั่งพูดกับหญิงสองต่อสองไม่เป็นอาบัตเหมือนกัน ปาจิตติสหธรรมิกวัก์สิกขาบทที่9ก้าว่าอันหนึ่งภิกษุใดให้ฉันทะเพื่อกรมอันเป็นธรรมแล้วถึงธรรมคือความบนว่าในภายหลังเป็นปาจิตติมีอธิบายว่ากรรมอันสง์จะพึงทำนั้นต้องทำด้วยความพร้อมเพรียงภิกษุผู้อยู่ในเขตชุมนุมซึ่งเรียกว่าสีมา มีสิทธิ์ที่จะเข้าในที่ประชุมสงฆ์หรือในอันจะให้ชันทะคือความยอมให้ทำกิจนั้นถ้าสงเว้นภิกษุบางรูปเสียไม่เชิญเข้าชุมนุมหรือไม่ขอชันทะของเธอไปทำกิจนั้นดังนี้ชื่อว่าทำกรรมเป็นพวกกรรมนั้นใช้ไม่ได้ในสิกขาบทนี้กล่าวถึงภิกษุให้ชันทะอย่างนั้นเพื่อกำรรอันเป็นธรรมแล้ว ภายหลังรู้ว่าสงธรรมไม่ถูกใจตนและบ่นว่าถ้ากรรมนั้นสงทําเป็นธรรมแล้วต้องปาจิตตีท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตกกะคือต้องมีความจงใจจึงเป็นอาบัตแต่ไม่มีอะไรบ่งให้รู้ความข้อนี้ถ้ากรรมที่สงทํานั้นไม่ถูกทมบ่นว่าไม่เป็นอาบัต ปาจิตตีสหธรรมิกวักสิกขาบทที่สิบว่าอันหนึ่งภิกษุใดมีเรื่องอันจะพึงวินิจฉัยยังเป็นไปอยู่ในสง์ไม่ให้ฉันทะแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปเสียเป็นปาจิตตีอธิบายต่อจากสิกขาบทก่อนว่าภิกษุผู้เข้าไปชุมนุมสงแล้วเมื่อสงยังกำลังทำกิจค้างอยู่ ปราลบจะให้เสียกรรมไม่ให้ฉันทาก่อนลุกไปเสียเฉยเฉยพอลาจากหัตถบาทคือที่ใกล้ตัวชั่วคนหนึ่งระยะเหยียดแขนออกไปจับตัวอีกคนหนึ่งได้ต้องปาจิตตีท่านกล่าวว่าอาบัตเป็นสจิตกะเหมือนกันคือต้องมีความจงใจจึงอาบัตแต่ไม่มีอะไรบ่งอย่างเดียวกัน เห็นสงฆ์ทำกรรมไม่เป็นธรรมก็ดีเห็นว่าจะเกิดวิวาทกันขึ้นก็ดีหลีกไปเสียไม่เป็นอาบัตไม่ได้ตั้งใจจะทำกรรมให้เสียโอดอุจราปัสสาวะไม่ทันจะให้ฉันทาหลีกไปด้วยคิดว่าจะกลับมาอีกหรือไม่สบายขึ้นจะนั่งต่อไปไม่ได้ก็ดีมีธุระอันจะพึงทาแก่ภิกษุไข่ เช่นถึงเวลาให้ชันยาให้ชันทะแล้วหลีกไปก็ดีไม่เป็นอาบัตเหมือนกันปาจิตตีสหธรรมิกวักสิกขาบทที่สิอ็ดว่าอันหนึ่งภิกษุใดพร้อมใจด้วยสงผู้พร้อมเพรียงกันให้จีวรแก่ภิกษุแล้วภายหลัง ถึงธรรมคือบนว่าภิกษุทั้งหลายน้อมลาบของสง์ไปตามชอบใจเป็นปาจิตติมีอธิบายว่าเมื่อลาบเกิดขึ้นแก่สง์แต่เป็นของน้อยไม่พอจะแจกให้ทั่วกันมีธรรมเนียมว่าถ้าเป็นบินทบาทหรือเภสัชอันจะเก็บไว้ไม่ได้เช่นนี้แจกตามลำดับผลัดกันไป ถ้าเป็นของที่จะเก็บไว้ได้เช่นจีวรก็เก็บไว้กว่าจะได้มาพอแจกกันคราวหนึ่งจึงแจกให้ได้ทั่วกันถ้าเหลือเศษหรือได้น้อยไม่พอจะทำดังนั้นสงัภปะโล ก, กันยกให้แก่ภิกษุผู้ทากิจสงเป็นต้นว่าผู้จัดเสนาสนะและผู้แจกของในสิกขาบทนี้กล่าวถึงสง ให้จีวอนแก่ภิกษุรูปหนึ่งด้วยอาการอย่างนี้ในสิกขาบทกล่าวถึงจีวอนท่านจึงแก้ว่าให้บริการอื่นละบ่นว่าต้องทุกกฎดความแห่งสิกขาบทน่าจะตกบทสัมปทานการกคือภิกษุผู้รับให้ในคัมภี์วิพังท่านแก้ว่า ภิกษุผู้ได้รับสมมุติเป็นวัตถุแห่งปาจิตตีภิกษุผู้ไม่ได้รับสมมุติและอนุปัสมบันเป็นวัตถุแห่งทุกกฎบางทีบทนั้นจะตกทีหลังตั้งแต่รจนาาคามีวิพังแล้วมาปาจิตตี สหธรรมิกวักสิกขาบทที่12บสองว่าอันหนึ่งภิกษุใดรู้อยู่น้อมลาบที่เขาน้อมไปจะถวายสงมาเพื่อบุคคลเป็นปาจิตติอธิบายทั้งปวงพึงรู้โดยในยะอันกล่าวแล้วในสิกขาบทว่าด้วยน้อมลาบมาเพื่อตนในที่สุดแห่งปัตตวัก